50ส a n g u a g e s สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งดิฉันของดิฉัน มินอมินูมินอมินูดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบมอยเลี้ยงมอวิติมอยเลี้ยงมอวิติดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบมอยเลี้ยงมอสุยตุกอติมอยเลี้ยงมอสุยตุกอติคุณของคุณ sino ซนซีโนซีโนคุณหากุญแจของคุณเจอไหมจซมวเลจิตซมวิตมคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมจซกาลจิ t ซมุการเขาของเขาตมตม เดโมเดมคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนเ e ่าตัวกตาวิตติออนเทกุสตาวิตนคุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหนเท่าตัวกุตซครันท่ตักตนเธอของเธอเดโ เตมเตมเตมเงินของเธอหายตระหองก็ตันุตตรหองก็ตันุตลาบัตเครดิตของเธอก็หายด้วยยาตักเครดิตกาตนก็ขาตันุตยาตัเครดิตกดต้นก็ตนุเราของเราม่ a ไม่เยม่เไม่เยคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายไม่เย่านาอิซอนไฮเกไม่เย่านาอิซอนไฮเกคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีไม่ย่วนาเอมาออนเทอรเวไม่เย่วนาเอมาออนเทรเวคุณ หนูของหนูเตยเตยเตยเตียเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนลอบเอรกุสนเตยอิสิลอบเตอกุสนเตยอิเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนลอบเกุสันเตยเอ็มมลอบเต คุณส่งใจให้ฉัน